เพิ่งทราบวินิจฉัยในคถานั้นก่อนพระพุทธเนรมิตรนั้นถามถึงอธิปัญญาว่าบุคคลมีความเห็นอย่างไรถามถึงอธิศีลสิกษาว่ามีศีลอย่างไรถามถึงอธิจิตสิกษาว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วบทที่เหลือชัดเจนดีแล้วเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งในปัญหาที่พระพุทธเนรมิตรถามเป็นต้นท่านจึงกล่าวไว้ในปีดกว่า บุคคลสอบถามอยู่ย่อมเข้าถึงธรรมะอันเป็นกุศลประกอบด้วยประโยชน์ ást. ย่อมไม่จุติย่อมไม่เกิดพระพุทธเจา้าทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคล น, นั้น่ะเป็นชะไหนคือเป็นผู้ที่มาถามเนี่ยนะคือมีมีคนมาถามปัญหาเอามีผู้ถามปัญหาอนผู้ถามปัญหาเนี่ยย่อมเข้าถึงธรรมะอันเป็นกุศลประกอบด้วยประโยชน์แต่ผู้ถามเนี่ยไม่จุติไม่เกิดไม่จุติอ่ะนะ พระองค์เนี่ยกล่าวถึงบุคคล น, นั้นเป็นฉไนอันนี้เป็นคําถามหมายถึงพระพุทธเนรมิตนะนะพระพุทธเนรมิตเนี่ยท่านไม่เกิดก็ไม่ตายใช่ไหมก็เนรมิตขึ้นอะ่ะจะเกิดได้ยังไงจะตายได้ยังไงแต่คําถามที่ท่านถามนี่ประกอบด้วยประโยชน์บุคคลมีสงสารสิ้นไปแล้วยังไม่คลายกําหนัดยังไม่เป็นพระเสขะยังไม่เห็นธรรมยังไม่เป็นพระขีนาสพยังทรงร่างกายไว้ในที่สุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคล น, นั้นน่ะเป็นอย่างไร คือเป็นบุคคลที่เกิดมาแล้วชาติสงสารเนี่ยสิ้นแน่ท่านก็ยังไม่ได้เปย์ยังละกิเลสไม่ได้อะยังไม่เป็นพระเสขะยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าร่างกายของท่านเนี่ยเป็นร่างกายสุดท้ายอ่ะพระองค์กล่าวถึงบุคคลนั้นว่าเป็นเชไหนอันนี้ก็หมายถึงพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเนี่ยนะส่วนคําถามมีคําถามว่าบุคคลเป็นผู้ไม่พร้อมด้วยทุกขสัจจะไม่พร้อมด้วยมรรคสัจะจะจะ ดับจากสมุทัยสัตว์จะได้ทั้งใกล้ไกลได้แต่ไหนพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคล น, นั้นเป็นไนก็คือไม่มีทุกขสัจจะไม่มีมรรคสัจจะแต่ว่าดับสมุทัยสัตร์ได้หมดอะ่ะบุคคล น, นั้นเป็นยังไงอันนี้ก็หมายถึงผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลเพราะขณะอรหัตตผลเกิดเนี่ยนะไม่เป็นทุกขสัจจะไม่เป็นมรรคสัจจะ ก็เป็นสัจจะวิมุต ต, ต์เนี่ยอรหตผลจิตเนี่ยพ้นสัจจะนะจิตนั้นไม่มีเหตุไม่อาศัยรูปมีปัจจัยไม่ใช่อสังขตะมีอสังขตะเป็นอารมณ์ไม่ใช่รูปพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงบุคคล น, นั้นเป็นไนะอันนี้คําถามหมายถึงมโนทวาราวัชนะจิตที่เกิดในอรูปประพบเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่มีเหตุประกอบเป็นจิตที่ไม่อาศัยรูปเป็นอารมณ์ไม่อาศัยรูปเป็นวัตถุแต่ว่าเกิดจากปัจจัย จิตนั้นไม่ใช่อสังขตะแต่ว่ามีนิาพานเป็นอารมณ์อันนี้หมายถึงมโนทวาราวัชนาจิตในอรูปประชานที่พิจารณานิาพานเนี่ยนะมโนทวาราวัชนาจิตในอรูปประพรมเข้าไปอ่านะมโนทวาราวัชนาจิตในอรูปประพรมพิจารณานิพานอันนี้ก็เป็นข้อความเบื้องต้นในอัตถกถาปูราเพทสุตตนิเทศที่10เนี่ยนะ ทีนี้เมื่อพระพุทธนารมิตรเนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นก็มาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธนารมิตตรัสถามว่าบุคคลมีความเห็นอย่างไรมีศีลอย่างไรอันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วข่าแต่พระโคดมพระองค์ถูกถามแล้วขอจงตรัสบอกบุคคลเช่นนั้นบุคคล น, นั้นอ่ะซึ่งเป็นนรชนผู้อุดมแก่ข่าพระองค์เนี่ยนะ คำ ว, ว่ามีความเห็นเช่นไรเนี่ยนะคำว่าความเห็นเช่นไรคือบุคคลประกอบด้วยความเห็นเช่นไรคือด้วยความดำรงอยู่อย่างไรด้วยประการอย่างไรด้วยส่วนเปรียบอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลมีความเห็นอย่างไรคำว่ามีศีลอย่างไรความว่าบุคคลประกอบด้วยศีลเช่นไรคือประกอบด้วยความดำรงอยู่อย่างไรด้วยประการอย่างไรด้วยส่วนเปรียบอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความเห็นอย่างไรมีศีลอย่างไร คำว่าอันบันดิตกล่าวว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วความว่าอันบันดิตกล่าวเรียกพูดสแสดงถแถลงว่าเป็นผู้สงบเข้าไปสงบนั่นนะดับประงับแล้วพระพุทธเนรมตรถามถึงอธิปัญญาว่ามีความเห็นอย่างไรถามถึงอธิศีลว่ามีศีลอย่างไรถามถึงอธิจิตว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วนั่นก็คือถามไตรสิกานั่นเองนะถามอาธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขา เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลมีความเห็นอย่างไรมีศีลอย่างไรอันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วคําว่าซึ่งบุคคลนั้นเนี่ยนะความว่าบุคคลที่ถามที่ขอให้บอกขอจงตรัสบอกขอให้ประสาทพระพุทธเนรมิตรนั้นย่อมตรัสเรียกพระพุทธเจ้าโดยพระโคดว่าข้าแต่พระโคดมขอจงตรัสบอกก็คือเล่าบอกแสดงแถลง แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้เตือนประกาศเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าข้าแต่พระโคดมขอพระองค์จงตรัสบอกบุคคลนั้นคือบุคคลที่มีไตรซิขาเนี่ยนะควาว่าถูกถามแล้วมีความว่าถูกถามถูกสอบถามขอให้บอกเชิญให้บอกทรงแสดงขอให้ประสาทเนี่ยนะคือขอให้ทรงแสดงขอให้ประสาทคําว่าซึ่งเป็นนรชนผู้ดมความว่า เป็นนรชนผู้เลิศประเสริฐวิเศษเป็นประธานสูงสุดบวรนะสรุปคําถามที่พระพุทธเนมิตถามว่าบุคคลมีความเห็นคือรที่ปัญญาอย่างไรมีศีลคือที่ศีลอย่างไรอันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วคือเมียที่จิตเนี่ยนะอย่างไรข้าแต่พระโคดมพระองค์เนี่ยถูกถามแล้วขอจงตรัสบอกบุคคลนั้นซึ่งเป็นนรชนอุดมแก่ข้าพระองค์นีนะ ก็ถามถึงบุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยตรายศิขาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัตอบว่าก่อนแต่กายแตกพระอาหารหันต์เป็นผู้ปราศจากตันหาผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นอันใครๆไม่นับได้ในส่วนท่ามกลางความทำไว้ในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่พระอาหารหันต์นั้นสรุปว่า จากคําถามที่ว่ามีอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาอย่างไร น, นะนรชนที่เป็นผู้อุดมอย่างนั้นเนี่ยขอให้พระองค์บอกบุคคล น, นั้นด้วยพระองค์ก็บอกว่าก่อนก่อนตายอ่ะเป็นพระอรหันต์หมดตันหาเพราะฉะนั้นไม่อาศัยส่วนเมื้องต้นคืออดีตท่ามกลางอนาคตเนี่ยพระอรหันต์ไม่อาศัยอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยอำนาจตันหาทิฏฐิอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คําตอบง่ายๆว่าก่อนตายก็ให้เป็นพระอรหันต์อ่างนั้น ทีนี้คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก่อนแต่กายแตกพระอาหารหันต์เป็นผู้ปราศจากตันหาความว่าก่อนแต่แตกกายก่อนแต่กายแตกคือก่อนแต่อัตภาพแตกก่อนแต่ทอดทิ้งซากศพก่อนแต่ขาดชีวิตตินทรีย์พระอาหารหันต์เป็นผู้ปราศจากตันหา คือเป็นผู้มีตัณหาหายไปสละไปสํา ROC ออกปล่อยละสละคืนเป็นผู้ปราศจากราคาคือเป็นผู้มีราคาหายไปสละไปสำ ROC อ, ออกปล่อยละสละคืนแล้วเป็นผู้หายหิวดับสนิทเย็นแล้วเป็นผู้เสวยสุขมีตนดังพรหมอยู่ก็คือเป็นพาดหันนั่นเองพาดหัน์เป็นผู้สิ้นตัณหาคลายตัณหาละตัณหาเนี่ยนะคําว่าพักวาพักวา เป็นคํากล่าวเรียกด้วยความเคารพนั่นนะเป็นคําเรียกพระพุทธเจ้านะผู้เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ า, า, วาพักวา่าพระอัฏฐว่าผู้ทําลายราคะโทสะมโมหะมานะทิฐิเสียนน้ํากิเลสนั่นนะก็คือคนทําลายกิเลสเรียกว่าพักาวา่าที่ภาษาไทยนิยมแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้ทําลายราคะโทสะโมะหะมานะทิฐิเสียนน้ํากิเลสเนี่ย น, นะ เชื่อว่าพระกว่าพระอรดว่าทรงจำแนกแจกแจงซึ่งพระธรรมรัตนะจำแนกแจกแจงกุศลอกุศลอัพยากตะตาจำแนกแจกแจงขันอายตนะธาตุนะจำแนกแจกแจงสติประธานสี่สมมาประธานสี่ที่บาสีอินรียพระโพชงอริยมรดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้จำแนกแจกแจงธรรมะอย่างที่กล่าวไปเชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอัฏฐาว่าทรงธรงรมที่สุดแห่งภพทั้งหลาย คือว่าภพนี้เป็นภพที่สุดของพระองค์เชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอถ า, าว่ามีพระกายอันอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วมีปัญญาอันอบรมแล้วก็คือเป็นผู้อบรมกายอบรมศีลออบรมจิตอบรมปัญญาเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าละเมะป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้อง ปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทำกรรมลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเร้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระขาอันคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้ชอบอยู่ในที่เงียบที่สงัดนั่นเองอั น, นึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งจีจจวรบินทบาทเสนาสนะขีฬาณนะปัจจัยเพสัช บ, บริขารฉะนั้นจึงชื่อว่าพระขาก็คือผู้มีส่วนแห่งปัจจัยสี่นะแม้กระทั่งผู้ที่ใช้สอยปัจใจสี่ทุกวันก็คือ ของพระผู้ดธเจ้านั่นแหละอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอันมีอัท ร, รรถธรรมรสถวิมุตติรถฉะนั้นจึงชื่อว่าพระขวาคือพระองค์เนี่ยอบรมไตรสิกขาเนี่ยนะจนสามารถแทงตลอดอัท ร, รรถธรรมรสถวิมุตติรถเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า อั น, นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งฌานสี่อปมัญญาสี่อรูปสมาบัติสี่จึงชื่อว่าพาักวนะผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมเนี่ยนะก็คือรูปฌานสี่อภมวิหารสี่อรูปสมาบัติอีกสี่อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งวิโมกแปดนะวิโมกแปดก็คือความพ้นแปดเนี่ยนะอภิพาญตนาแปดเรียกว่าฌานอันเป็นที่ตั้งแห่งการครอบงําอารมณ์ อนุปภาพวิหารสมาบัติก้าเรียกว่าธรรมะเครื่องอยู่โดยลําดับคือรูปฌานสี่รูปฌานสี่และสัญญาเวทายตานิโรธเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวาเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งวีโมก8อภิพาญตนะ8ดอนุปภาพวิหารสมาบัติ9้าวนั่นเองอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสัญญาภาวนาสิบกษินสมาบาัติ10บอนาปานาสติสมาธิอสุภฌ า, านเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวานะ่นเอ สัญญาภาวนาสิบก็มีอนิจจสัญญาเป็นต้นนะนะกสินก็มีรูปกสินเป็นต้นอนาปานาสติก็คือการกําหนดลมหายใจเข้าออกจนเข้าฌานหรืออสุภฌ า, านอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสติประธาน 4, สี่สัมมารประธาน4อิธิบาทสอินทรี่ห้าพละหโพธชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเรียกจึงชื่อว่าพระขวาคือผู้มีส่วนแห่งโพธิปัจขยธรรม37เนี่ยนะนะ อันึพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งตถาคตภะละกําลังของพระพุทธเจ้าสิบเวสารัชยานสี่คือยานที่ทําให้แกล้วแกล่าเนี่ยนะปฏิสัมพิธาปัญญาเครื่องแตกฉานสี่อภินญาหกพุทธธรรมหกฉะนั้นจึงชื่อว่าพระขาพระนามว่าพระขาคือพระผู้มีพระภาคเจ้านี้พระมารดาพระบิดาพระพาดาพระภคินีเมินอมาตพระญาสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดามิได้เฉลิมคือมิได้เรียกให้ แต่พระนามว่าพักวานี้เป็นวิโมกขันตินามคือพระนามมีในอรหัตผลในลําดับแห่งอรหั ต, ตมักคือบรรลุเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะจึงได้ชื่อนี้ขึ้นเป็นสัจจิกาบัญญัติเป็นบัญญัติที่เกิดเพราะทําให้แจ้งอรหัตผลและการทําให้แจ้งธรรมะทั้งปวงพร้อมด้วยการทรงบรรลุสัพพัญยุตยาณะควงแห่งโพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้ว เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวา่าเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าก่อนแต่กายแตกพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากตันหา น, นะผล พ, พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่านะก่อนตายบรรลุปเป็นพระอรหันต์หมดตัน ห, ห์ห่างั้นนผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอธิจิตอธิศีลอธิจิต อ, ธ, อ, ธ, อ, ธ, อธิปัญญาก็คือผู้ที่ก่อนตายแล้วบรรลุปเป็นพระอรหันต์นั่นเองนี่ อธิบายที่พระองค์ตรัสต่อไปว่าผาหั่เนี่ยเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นอันใครใครนับไม่ได้ในส่วนท่ามกลางความทำไวในความทาไวในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่ผ้าหาัรนนั้นคือภ้าหั่เนี่ยไม่อาศัยอดีตไม่อาศัยอนาคตเนี่ยนะไม่ได้ปรารถนาอนาคตนับในปัจจุบันก็นับไม่ได้อธิบายว่าอดีตการเรียกว่าส่วนอดีตเนี่ยนะอดีตอส่วนเบื้องต้นะนะก็คืออดีตการ เช่นลูกคนต้นนะนะคนต้นอ่ะคนต้นก็คือคนคนก่อนเพื่อนนะนะก็คืออดีตนั่นแหละในคําว่าผู้ไม่อาศัยสวนเบื้องต้นพระอรหันเนี่ยปรารบถึงอดีตการละตันหาสละคืนทิถิเสียแล้วไม่ใช่พระอรหัน์ไม่รู้อดีตนะพระอรหัน์ท่านก็รู้อดีตท่านก็คิดถึงอดีตแต่ว่าละตันหาสละคืนทิถิเสียแล้วเพราะท่านละตันหาสละคืนทิถิเสียแล้วจึงเป็นผู้ไม่อาศัยสวนเบื้องต้น คือคิดถึงอดีตปรารบอดีตไม่ได้ปรารบรวมอํานาจของตัญหากับทิฏฐิอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคิดถึงอดีตไหมคิดถึงถ้าไม่คิดจะเอาชาดกมาแสดงแล้วยังไงเนี่ยนะก็มีธรรมะต่างมากเหลือเกินเนี่ยนะที่ปลารบอดีตแล้วแสดงธรรมเนี่ยนะเช่นในชาดกกขาบอกว่าเรื่องเคยมีมาแล้วพิสูจทั้งหลายก็แสดงว่าปลารบอดีต ท, ทั้งนั้นแนหะ น, น, นะนั้นโดยมากพระธรรมเนี่ยปรารบอดีตแสดงเป็นส่วนใหญ่ มันพยายามที่พระองค์มีจึงมีปุเพนิวาสานุสติยานเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งถ้าอรหันต์นี้ไม่เป็นไปตามความเพลิดเพลินในรูปว่าในอดีตการเราได้มีรูปอย่างนี้ไม่เป็นไปตามความเพลิดเพลินในนามว่าในอดีตการเราได้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้มีวิญญาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้น